พระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิท์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพุทธศักราช2445ถึง2537 กิเลสไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กิเลสแต่จิตไปยึดเอากิเลสมาปรุงแต่งให้เป็นกิเลสถ้าจิตกับกิเลสเป็นอันเดียวกันแล้วใครในโลกนี้จะชำระกิเลสให้หมดได้ จิตและกิเลสเป็นแต่นามธรรมเท่านั้นหาได้มีตัวมีตนไม่จิตที่ส่งไปทางตาหูเป็นต้นก็มิใช่ตาหูเป็นกิเลสแต่จิตกระทบกับอายตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเท่านั้นเมื่อตา เป็นต้นกระทบกับรูปให้เกิดความรู้สึกแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปจิตไปตามเก็บเอาความรู้สึกนั้นมาเป็นอารมณ์จึงเกิดกิเลสดีแลชั่วรักแลชัง ต่างหากผู้ไม่เข้าใจไปหลงว่าจิตเป็นกิเลสไปแก้แต่จิตตัวกิเลสไม่ไปแก้ไม่ไปแยกเอาจิตให้ออกจากกิเลสอย่างนี้แก้เท่าไรก็แก้ไม่ออกเพราะแก้ไม่ถูกจุด สำคัญของจิตจิตไปหลงยึดเอาสิ่งสารพัดวัตถุเครื่องใช้ต่างๆมาเป็นของกูของกูติดมันอยู่ในสิ่งนั้นๆมันเลยเป็นกิเลสแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างไร มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันหาได้ไปเป็นตามความหลงยึดมัน่นถือมัน่นของเราไม่นี่ก็เพราะความหลงไม่เห็นตามความเป็นจริงของมันกิเลส ตัวผู้ไปยึดถือนี้มันร้ายกาศเสียจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันเข้าไปยึดถือเอาเลยแล้วก็ฝังตัวลึกเข้าไปจนถอนไม่ขึ้นผู้ต้องการที่จะกาจัดกิเลสให้พ้นออกจากจิตของตนพึงหัดสมาธิให้ชำนานเสียก่อนจึงแยกจิต และกิเลสออกจากกันได้คือจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวแล้วเรียกว่าสมาธิสมาธิไม่มีอาการสงสัยภายนอกนั้นเป็นที่ตั้งฐานของการต่อสู้กับกิเลส จิตที่มันสงสัยไปหาอารมณ์ภายนอกนั้นมันสงสัยไปหากิเลสถ้าหากเรากำหนดรู้เท่าทันอย่าให้มันไปหมายมั่นสัญญาจดจำแลปรุงแต่ง ฉเฉยๆกิเลสมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตนี้กว่าจะเกิดกิเลสขึ้นมันต้องจดจดำดําริปรูงแต่งมันจึงเกิดขึ้นถ้าเพียงแต่รู้เฉยๆกิเลสไม่มีเช่นตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น มันก็ไม่เกิดกิเลสอะไรถ้าตาเห็นรูปแล้วดำริปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นามันก็เกิดกิเลสตามเราปรุงแต่งจึงมาทับถมจิตเราที่ผ่องใสยอยู่แล้วให้เศร้าหมองไปสมาธิเลยเสื่อมกิเลสเลยเข้ามารุมล้อม เเราฝึกหัดสมาธิให้ชำนาญแล้วเวลาอายันาทั้งหลายมีตาเห็นรูปเป็นต้นจะกำหนดจิตให้เข้าถึงสมาธิแล้วจิตก็จะมองเห็นรูปสัแต่ว่ารูปเฉยๆจะไม่ปรุงแต่งไปต่างๆนานากิเลส ก็จะไม่เกิดในที่นั้นการชำระจิตที่ว่ามานี้เป็นแต่ชำระได้ชั่วคราวถ้าสมาธิไม่มีกำลังแล้วไม่มีผลเลยถ้าจะชำระจิตให้สะอาดหมดจริงจังแล้วต้องทำวิปัสสนา มีปัญญาพิจรารณาคิดค้นเหตุผลในสิ่งนั้นแล้วปล่อยวางทำจิตให้เป็นกลางในสิ่งทั้งปวงได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงวิปัสสนานั้นไม่ว่าจะพิจรารณาคำบริกรรมหรือธรรมะ ทั้งหลายมีท่าสี่ขันห้าอายตนะเป็นต้นพิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางแล้วเข้ามาอยู่เป็นกลางวางเฉยเรียกว่าวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของมัน ที่ปั ส, สนานี้พิจารณาจนชำนิชำนานแก่กล้าจนเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะและธรรมารมทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในเห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงจีรังถาวรยั่งยืนเกิดมาแล้วก็แปรปรวนผลที่สุดก็ดับสูญหายไป ตามสภาพของมันสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นรองรับเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นจึงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมเป็นไปตามสภาพของมันใครจะห้ามปรามอย่างไรย่อมไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งหมดนี่ใช่ไม่มีของของมีอยู่แต่ห้ามมันไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตา จเจริญวิปั ส, สนาทั้งหลายเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันเข้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นย่อมพิจารณาเป็นไตรลักษณะญาณอย่างนี้ทุกขณะไม่ว่าอาริยบทใดๆทั้งหมดถ้าพิจารณาจนชำนิชำนานแล้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันเอง มีความรู้เท่าตลอดเวลาจนเห็นว่าอารมณ์ทั้งปวงสักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตามสภาพของมันจิตก็อยู่ของจิตตังหากจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิต เข้าไปยึดเอาอารมณ์จึงเกิดเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงจะเห็นแต่สิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปประธรรมและนำมาทำทั้งหลายเห็นเป็นแต่ศักว่าสภาวะธรรมเท่านั้น เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยโลกคือจิตของคนเรามาหลอกลวงจิตให้หลงในสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังแต่แล้ว สิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงมายาเท่านั้นเกิดมาแล้วก็สลายแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันโลกเ่านี้มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นอย่าถือว่าเป็นของเราถือเอาก็ไม่ได้อะไรไม่ถือก็ไม่ได้อะไรปล่อยวางเสียให้เป็นของโลก อยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นตามกระแสะพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกข์เป็นของไม่ควรละแต่เป็นของควรต่อสู้ความทะเยอทะยานอยากได้สุขหรือไม่อยากให้มีทุกข์ตัางหาก เป็นของควรละผู้ที่จะพ้นจากทุก์ได้ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้นดังนั้นทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกหากไม่มีทุกข์ กับความเพียรเสียแล้วใครๆในโลกนี้จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน